ปุพหจินนะเนมิตตะโกสิ่งที่เคยสั่งสมคือบุญบาปที่กระทําไว้แต่ก่อนมาเป็นนิมิตในฝันนั้นชื่อว่าบุพนิมิตหนึ่งสิริเป็นเหตุหกประการเท่านี้แหละให้ฝันถ้าฝันด้วยบุพนิมิตนั้นสัตโจแน่นักฝันด้วยเหตุอื่นไม่แน่ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชองค์การตรัสว่า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 ปรากฏในกระจกนั้นฉันใดก็ดีจิตนั้นจะมาแต่งนิมิตขึ้นได้หาไม่ได้อัญโยโกโจิสิ่งอื่นเล่าจะแต่งนิมิตหาไม่ได้นิมิตที่จะให้ฝันนั้นออกมาเกิดปรากฏในพวังขจิตจึงฝันไปอุปมาดังกระจกจะแต่งเงาเองก็หาไม่ได้สิ่งอื่นเล่าจะกลายเป็นเงาไปก็หาไม่ได้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 ภวังคะคะตังจิตถึงพวังเมื่อจิตลงสู่พวังแล้วมิได้กลับไปกลับมาขณะนั้นจะรู้ว่าสุขทุกนั้นหาไม่ได้ก็แลจิตที่หลับไปดังนั้นจะได้ฝันหาไม่ได้ปะวัตมาเนจิตเตต่อเมื่อไรจิตนั้นประวัติเป็นไปได้จึงจะฝันยะถามีขรุวนาฉันใด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 ก็อุปมายเหมือนกันกันกบท่านผู้วิเศษอันไม่ได้อย่างลงสู่หลักกระทําจิตเป็นเอกขตาอันบรรลุกแกธรรมาพิสมัยมรรคนั้นโกตุฮะละสัทโธอันว่าเสียงอื้ออึงตื่นข้านั้นคือตื่นอยู่วิเวโกอันว่าวิเวกสงัดนั้นได้แก่นอนจะหลับก็ใช่จะตื่นก็ใช่เช่นวานนอนหลับนั้นพระโยคาวจรเจ้า